ทำพีที่สองชื่อว่านาปัญจขันธาเวทนาขันธ์ลูปรคันโูเวทนาขันธูสัญญาขันธูสังขารขันธูวิญญาณขันธ์ว่าด้วยอุปทานในขันห้านาอุปทานในขันห้านาปัญจขันธาว่าคนเราเนี่ยมีห้าส่วนนับง่ายๆคนเรานี่มีในร่างกายของเรามีกี่กิ่งโยมเคยนับไหมมีกี่กิ่งมีอยู่ห้ากิ่งใช่ไหมแขนสองกิ่งขาสองกิ่งหัว หนึ่งกิ่งเพราะเรามาจากขันอะไรขันห้ามือของเรามีกี่นิ้วห้านิ้วถ้าคนไหนมีหกนิ้วหรือสามนิ้วปกติไหมไม่ปกติแล้วทตไมมีห้านิ้วเพราะจิตของเรามาทำงานอยู่แค่ห้าตัวเพราะนั้นมือเนี่เป็นเสมือนคีย์เวิร์ดของคอมพิวเตอร์นะมันก็จะทำอยู่แค่ห้านิ้วคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแค่นั้นรูปกขันโถเวทนาขันโถสัญญาขันโถขันนะ รูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าในตัวของเราเนี่ยมีธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟและประกอบด้วยขันทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้รูปรูปขันนะรูปขันกับรูปธาตุเหมือนกันหรือต่างกันรูปธาตุได้แก่การอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นรูปใช่ไหมเป็นรูป แล้วรูปประขันน่ะได้แก่ดินน้ำดูงไฟไหมอ่าไม่ใ ช, ใช่เขาเรียกได้ชื่อใหม่ว่ามหาภูตรรูปนะมหาภูต ah แต่ว่าถ้าเป็นรูปประขันเนี่ยได้แก่สิ่งที่เราวันนี้คิดถึงคุณพ่อไหมคิดถึงพ่อที่ตายไหมคิดแล้วเวลาคิดถึงท่านหน้าท่านปรากฏที่ไหนปรากฏที่กายหรือที่ใจรูปที่ปรากฏในใจเขาเรียกว่ารูปประขันรูปปรากฏที่กายเรียกว่ารูปประท อ่าเอาชักยังไงใชแล้วนี่เนอะรูปที่ปรากฏทางใจทางใจเนี่ยความทุกขเกิดทางความทุกขที่แท้จริงเกิดทางกายหรือทางใจเกิดทางใจแต่ทุกทางธาตุเนี่ยทุกทั้งรู ป, ปขันเวลาเราทํางานเราเหนื่อยพักแล้วมันก็หายเนาะก็หายทุกแต่เวลาเราไปโกรธใครสักคนหนึ่งโกรธอ่าพอหลังจากทะลเลาะโกรธกันแล้วเนี่ยพอหยุดโกรธไอความทุกขที่เกิดในใจที่มันเถียงกันมันหายไปทันทีไหม ไม่หายบางทีมันอยู่กี่วันอยู่หลายวันบางคนตายไปกูจะไม่เผาศพมึงเลยว่าไงใช่ไหมมันอยู่ทั้งตลอดชีวิตอ่ะไอรูปประหารแบบนั้นอ่ะไอรูปประทานี่แค่ไปทํางานหนักเหนื่อยแค่หยุดงานพักสักพักมันก็หายแล้วใช่ไหมแต่ไอารูปประหารที่มันเกิดปรากฏในใจเนี่ยโกรธกันแล้วด่ากันแล้วหรือรักกันแล้วเนี่ยเวลาจากกันแล้วก็เป็นไงลืมทันทีไหมไม่ลืมนะ ฉันจะไม่ลืมเธอตลอดชีวิตเลยนะเห็นไหมไอ้รูปประคันที่ปรากฏในจิตมันมันละยากเพราะพระพุทธเจ้าว่าให้ไปละตรงนั้นรูปที่เกิดจากความคิดแต่รูปประทัดเนี่ยไม่ต้องไปละละไม่ได้เราคุณละเมื่อไหร่ก็นอนเข้าไปอยู่ในโลกนั่นแหละนะแต่รูปประคันเนี่ยคุณต้องละถ้าไม่ละแล้วทุกก็จะตลอดเวลาทุ ก, กจะปรากฏตลอดเวลาในชีวิตจิตวันของเราเนี่ยเราทุกทางกายกับทุกทางใจอัานไหนมากฝ่า ทุกทังใจแม้แต่นอนก็ยังทุกนั่งเฉยเฉยมันก็ทุกใช่ไหมแต่รูปได้รูปขันในในรูปธาตุเนี่ยนั่งเฉยเฉมันก็ไม่ทุกเลยใช่ไหมมันขยับไปขยับมาเสนหน่อยเนี่ยมันก็สบายแล้วแต่ใจไม่ไงใจก็ยังคิดอยู่เขาปีนี่เขาตั้ง3ล้านหลวงพ่อไงเนี่ยไปหาที่ไหนก็หลวงพ่ อ, อ, อขอหวยเอาสักตัวสองตัวนี้เมื่อไหร่หนูจะโปรดนี่ถ้าหนูโปรดนี่สามล้านได้น่หนูมาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเลยหลวงพ่อ โอ้โหยังมีข้อต่อเรามีเงื่อนไขด้วยนะโอ้โหงี้ยากกันนะอาจมาเจอแบบนี้เมื่อาเ่ยโยมมาปฏิบัติก็กันก็แล้วกันถ้าเกิดโยมออบอกว่าเออถ้าปวดนี่ได้เมื่อไหร่จะมาปฏิบัติถ้าปวดนี่ได้โยมลืมว่าได้จะว่าไงไม่มีหลักประกันโยมมาปฏิบัติก็แล้วก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวจะจะถูกหวยเอาไว้ทีหลังเหมือนกันนะเขาก็ไม่ยอมมามีการต่อลองกันนะอันนี้คนปัจจุบันไปอย่างงั้น้ลยนะอันนี้เรียกว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เด็กจิตเราคิดเหมือนกับเครื่องนาฬิกาคาร์ดิคลมิชีเนีย่ยนะมันทํางานแค่นี้ยี่ห้าห้าเฟืองนะแต่แวันยังขําคืนยังลูกแต่เข็มมันบอกอะไรเราบอกวินาทีบอกนาทีบอกชั่วโมงบอกวันบอกเดือนบอกปีบอกหลายปีบอกศตวรรษทั้ทงๆ ท, ที่มันทํางานอยู่กับที่แค่นี้ใช่ไหมจิตของเรามันแค่ทํางานอยู่แบบเหมือนเครื่องนาฬิกาแค่นี้แต่มันคิดสารพัดเรื่อง เป็นหมื่นเรื่องแสนเรื่องต่อวันน่ะแต่มันทํางานอยู่แค่ห้าตัวเนี่ยเหมือนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนอ ะ, อะมันมีคีอยู่ไม่กี่ตัวแต่เราทํางานได้เป็นร้อยอย่างพันอย่างอันเดียวกันเพราะนั้นในตัวที่จิตมันทํางานเดี่ยวขันห้าเรียกว่าเป็นปรมัตร์นี่ทำงานอยู่แค่นี้แต่สมมุติของมันมาเป็นสารพัดเป็นวันเวลาเดือนปีอะไรสารพัดอย่างมาจากแค่นั้นดังนั้นท่านก็สรุปว่าชีวิตของเรามันมีแค่นี้นะท่านสี่ขันห้าอ่า โอ้ถ้าจะเลี้ยงงี้ไม่จบแน่คือนี้เนาะไม่ต้องได้สวดกันแล้วเอาแค่นี้พอปีหน้า่อยฟังใหม่เนาะเดี๋ยวพ่อกลับบ้านดึกแน่เลยเนี่ยมาเดินทางมาไกลนั่นเองอันเนี้ยที่พระพุทธเจ้าท่านไปแสดงธรรมเรื่องนี้ในสวรรค์ในสวรรค์ชั้นที่สี่เอพวก นักธรณีวิทยามันก็ว่าอ้สันเจานะน้ำมันไปแทบจะทะลุไปอีกข้างหนึ่งก็งยังไม่จเจอนรกแล้วก็กยิงจรวดล็อกเก็ตขึ้นไปถึงโลกพระจันทร์ก็ยังไม่เจอสวรรค์จากชั้นหนึ่งนะบนสวรรค์เนี่ยจะขึ้นไปถึงโลกอังคารพระหัดสุกเสาอยู่แล้วก็ยังไม่เจอสวรรค์จากชั้นมันอยู่ตรงไหนกันแน่ขุดลงไปใต้ดินก็จะทะลุโลกอยู่แล้วก็ยังไม่เจอนรกสักหลุมขึ้นไปบนฟ้าจนทะลุถึงโลกจันทร์ถึงจักรวาลทิศอยู่แล้วมันก็ยังไม่เจอสวรรค์จากชั้นเลยมันอยู่ที่ไหนกันนแ่ อ่ามันจะต้องเป็นมิติอย่างใดอย่างหนึ่งกันแน่นะเพราะฉะนั้นเพื่อความที่จะไม่ยื่นเยอะเหลืออีกชั้นห้าคำพีเอาประเทศต่อปีต่อไปก็แล้วกันเอาวันนี้แค่สองคำพีก็พอแล้วนะอ่าเดี๋ยวยื่นเยอะแน่นอนอ่าทีนี้เมื่อถามว่าพระพุทธเจ้าปแสดงธรรมในสวรรค์ชั้นที่4คือชั้นดุสิตเพราะเป็นที่ประทับของบุคคลที่เป็นพุทธมารดานเนี่ยเวลา ถึงสิ้นพิชชนไปจะต้องไปเกิดสวรรค์ชั้นที่4เพราะคนที่เกิดในสวรรค์ชั้นที่4ี่มีคนสองประเภท1เป็นพุทธมารดามาพุทธมารดาถ้าพระพุทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายต้องไปเกิดที่นั่น 2. พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาตรัสลุ้ต้องไปเกิดที่สวรรค์ชัน้นดุสิตเพราะในสวรรค์ชั้นนี้จะมีคนอยู่สองประเภทแต่ว่าเวลาจะแสดงธรรมเนี่ยก็ต้องพากันลงมาฟังที่สวรรค์ชัน้นดาวดึง เอนก็ถามเมาื่อกี้ว่าเอ๊ะทำไมจะไม่แสดงที่ชั้นดูสิไดิเลยเพนะราะนจิงมาก็าคิดไปคิดมาโอ้สวรรค์หกชั้นเอ๊ในร่างกายของมนุษย์นี่มันมีอะไรนะสวรรค์มาจากคำว่าภาษาบาลีว่าสุขติลองวิเคราะห์ตามศัพท์รือสุขติแปลว่าไปดีมาดีใช่ไหมอ่าไปสบายมาสบายอา่อยู่สบายกินอร่อยใช่ไหมสุขติเนี่ยนะถ้าไปทุกขติคือไปไม่สบายมาไม่สบาย ทุกติมาจากคําว่าทุกติท่านบอกว่ามีสอย่างก็คืออบายทุกติวิบาตินรกหรือนรกเปรตอสุกายเดริฉานใช่ไม้มมีอบายภูมิทั้งสี่เนี่ยแปลว่าทุกติแปลว่าไม่สบายมาจากคําว่านิรยะนิรยะมาจากคําว่านารกอ่านิรย์แปลว่านารกคือตรงไหนที่มัน ณบวกอริยะแปลว่ามันไม่ดีมันไม่เปรดเสริฐมันไม่งามมันไม่สวยไม่สบายแปลว่ามันไม่เปิดเสริฐณบวกอริยะเป็นณริยะนะริยะย่ ok, อมาเป็นนรกอ๋อมาจากนี่เองที่เป็นนรกคือที่ไหนแล้วไปอยู่แล้วมันไม่สบายไม่สะดวกไม่สบายมันไม่สะดวกอยู่ที่หก็ตามนอนยังไงมันไม่สบายกินยังไงไม่อร่อยอย่างนี้เรียกว่ามันไม่สบายมันไม่สะดวกเรียกว่านรก กินแล้วดีไปดีมาดีกินแล้วอร่อยนอนสนุกนอนหลับสบายเป็นสุขติแปลว่าสวรรค์ังนั้นเราก็ไปนรกทุกวันไปสวรรค์ทุกวันดีองนั้นใช่ไหมเพราะนโบราณเขาเลยสรุปว่านรกสวรรค์นในอกนรกในใจนิพพานอยู่ไม่ไกลหายใจก็ได้ยินโยมได้ยินบ้างหรือเปล่าหายใจทุกครั้งนะถ้าตอนเช้ามาเนี่ยเอามา ฝึกลมหายใจให้โล่งก่อนนะวันไหนที่วันไหนที่ตื่นขึ้นมาถ้าหากหายใจยังไม่โลง่งทั้งสองปอดเนี่ยอามายังจะยอมไม่ได้วันนั้นต้องหายใจให้โล่งทั้งสองสองข้างเพราะการหายใจโล่งทั้งสองข้างนะั้นมันถึงหมายถึงการเปิดประตูสวรรค์วันนั้นทั้งวันจะไม่ทุกข์เลยเพราะฉะนั้นอามาเวลาเปิดคอร์สเนี่ยวันที่ยี่สิบห้าถึงวันที่สามเบตแล้วจะเปิดคอรอบลมอยู่ที่วัดอะไรนะ<mens ậ ว>พราหัวฝายพระธาตุดยหัวฝายนะ ถ้าใครอยากไปสวรรค์ไปรู้จักนรกก็ไปที่นี่ก็แล้วกันนะวันเราจะมาเปิดประตูนรกลงมาปิดประตูเออมาเปิดประตูสวรรค์ อ, อ่ามาปิดประตูนรกกันวันนั้นนะฮะห้าวันเจ็ดวันลงไปดูนะจะเปิดไม่ได้หรือปิดไม่ได้ทีนี้สาเหตุที่ไปแสดงธรรมในชั้นดุสิตเพราะเป็นที่อยู่ของพุทธมารดาแต่ว่าละว่าแสดงธรรมต้องมาแสดงสวรรค์ชั้ น, นดาวเบอร์ดึงเอามาก็ คิดพิจารณาเรื่องนี้เพราะอะไรต้องมาแสดงธรรมชั้นนี้ก็มาวิเคราะห์ว่าจ่าดูมหาราชแปลว่าอะไรจ่าดูบวกมหาราชแปลว่าจ่าดูมหาราชแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในทั้งสี่ทิศผู้เป็นใหญ่ในที่ทั้งสี่เอ้ในกายในในกายในใจของเราอะไรเป็นใหญ่ในที่ทั้งสี่โยมพอจะรู้ไหมเกิดมาเนี่ยอะไรเป็นใหญ่ในที่ที่สี่ร่างกายของเราเนี่ย อะไรเป็นใหญ่ที่นสี่ ด, นนดินน้ำโดงไฟเหรอเป็นใหญ่สั ญ, ญลักษณ์ว่าดินน้ำโดงไฟของเราดีหรือไม่อยู่ที่ไหนอยู่ในอวส่วนไหนอาตมานี่สวรรค์ไม่ค่อยดีเลยเนี่ยต้องใส่สวรรค์ปลอมเนี่ยคือใส่แว่นตามไม่ค่อยดีแล้วตาเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าสุขภาพทุกส่วนสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ตาเป็นหน้าต่างของ หัวใจเพราะนั้นตานี้เป็นใหญ่ในทิศ ท, ทั้งสี่มองไปทิศตะวันออกก็ได้มองทิศตะวันตกก็ได้มองไปที่ข้างหลังก็ได้มองไปทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังข้างซ้ายข้างขวาได้หมดเป็นใหญ่ในทิศสี่เพราะนั้นถึงว่าเป็นจาตุมหาราชและตาที่จะดีนั้นจะต้องมีเท้าทั้งสี่เท้าทั้งสี่ก็ได้เท้าอะไรเท้าชนตรลเท้าวิรุณหะเท้าวิรูปักและเท้าเวสุวน เอ๊เท้าทั้งสี่มันขำแม่งทั้งแม่งนะโทตะรดแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งธาตุอ๋อทตรดก็แปลว่าธาตุดินนั่นเองมันทรงไว้ซึ่งรถทั้งหลายต้นไม้ที่ปลูกลงบนดินนะมันมีรถสารพัดรถใช่ไหมแต่ดินมันไ ม, ม, ม่มีรดอะไรนะเอาปลูกตรงนี้ทุเรียนก็ปลูกตรงนี้ฝรั่งก็ปลูกตรงนี้กระท้อนก็ปลูกตรงนี้ขนุนก็ปลูกตรงนี้ปลูกในที่ดินเดียวกันแต่รถออกมาเหมือนกันไหม รถหวานรถหวานรถขมรถเปรี้ยวออกมารถต่างๆกันเรียกว่าทศตรถทรงไว้ซึ่งรถรถนานารถต่างๆนานาเรียกว่าธาตุดินเท้าทศตรถเราจะเรียกว่าธาตุมันก็ไม่เป็นเป็นปรมาตร์ไปใช่ท่านจึงเรียกว่าแลยเท้ามันจะได้เป็นปุกาดาธิฐานเท้านั้นเท้านี้มาจากคำว่าธาตุนั่นเองเออน่าแปลกใจเนอะโบราณนีิฉลาดนเนอะเข้าใจใช้สมมุตินะนี่เท้าทศตรถ รักษาแผ่นดินนะเวลาเราจะไปมีการมีงานอะอย่าโดนต้องไปตั้งศาลเพียงตาบูชาเท้าอะไรทั้ง4ี่ใช่ไหมเท้าทศตรถเท้าวิรุณหะได้แก่วิกกี้ก่อนที่เราจะแสดงทำขนาส่วนมนอะไรตกลงมาฝนตกลงมานั่นเขาเรียกวิรุณพระวิรุณลงมาละมาจากเขาวิรุณห ะ, ะเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระพิรุณใช่ไหมก็มาจากท้าวิรุณหนั่นเองคือน้ําถาดน้ํา หาวิรูปักวิลูปะเขหิเมเมตังเมตังเอลาปะเทหิเมหาวิลูปักคือพยาวายุพายุานั่นเองโอ้ปีนี้อา่เอาเท้าวิลูปักรุนแรงนนเนาะอ่าหมู่บ้านที่จะมาอยู่นะี่สามหมู่บ้านพังไปเกือบสองรอหลังคาโดนไหมทางจังหวัดทางอำเภอไม่สอดโดนไหมโดนพายุไหปีนี้โอที่ที่แพรนี่แรงมากเลยเนาะทางอีสานแรงนั่นนะ่ะพายุ แรงเขเรียกว่าทา้าววิรูท้าวิรูปักนะเรียกว่าธาตนะุลมท้าววิรูปักเรียกว่าธาตุลมแล้วอันสุดท้ายธาตุอะไรธาตุไฟเรียกว่า ท, าท้าวเวได้ไรท้าวเวสุวรรคือยักษ์นะธาตุไฟสมมุติว่าเป็นยักษ์ โอ้หน้ามันยักเลยน ะ, อะไอเรนพวนี้ใช่ไหมอะไรตาถลนออกมาจากบ่อเวลาเรโกรธหน้ามันยักนะนั้นธาตุไฟเผาขเขาได้ใช่ไหมธาตุเวลาเมื่อไหร่ธาตุไฟเผาขึ้นมาตัวเราเป็นไงสันนะตาถลนหูอ่าตาอะไรแต่งแปลงว่าไฟมันเผาข้างในแล้วนั้นเขาเรียกว่าไฟธาตุไฟกำเริบเรียกว่าไฟนรกเผาขึ้นมาข้างในเคยมีบ้างไหมเคยตกนรกบ้างไหมอ่าคนไหนเคยโกรธนี่เคยตกนรกทั้นนั้นอันนั้นคือไฟนรกนั่นนะ มันไม่ที่ใจเราก่อนแต่ถ้าหากว่าเดินนิจจนไปเราตายเนี่ยถ้าเราดับไฟกองนี้ไม่ได้ถ้าดับบุงปั๊มเนี่ยไฟตัวนี้ไปติดส่ไฟอะไรไฟ น, นรกของจริงเลยถ้าเราไม่สามารถดับความโกรธให้ดับสนิทได้ในขณะมีชีวิตอยู่นะตายไปไฟตัวนี้มันจะไปติดใส่ไฟเท่านั้นดับได้เรือยัโอ้ อย่าประมาทนะโดยเฉพาะผู้เฒ่าทั้งหลายนี่นะยังโกรธ อ, อยู่หรือเปล่าผู้เฒ่าทั้งหลายต้องถามตัวเองนะถ้าเป็นผู้เฒ่าอายุหกสิบเจ็ดสิบขึ้นไปแล้วยังโกรธ อ, อยู่เนี่ยระวังให้ดีนะไปข้างหน้าไปเจอใส่ไฟจริงละไปต่อยใส่ไฟนรกจริงละเพิบเลยละ่ะนะส่วนจะเป็นนรกขุมไหนแล้วก็เป็นเรื่องอีกเรื่องตัวไครตัววันก็แล้วกันแต่นั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็เผาตั้งแต่อยู่บนเตียงแล้วจะไม่เราไปดูคนไข้บุบป่วยใช่ไหมเขาร้องอดเวียนงาเพราะฉะนั้นเอง ญาติธรรมหลายคนที่มาปฏิบัติในวิธีการหัวเทียนเนี่ยเขามีสติสมัยยะปกครองตนเองเขาสั่งไวไ้เลยนะเวลาชั้นเป็นอะไรไม่ได้สติพวกแกอย่าสั่งลูกเอาไว้นะอย่าไปโรงพยาบาลนะเอาชั้นไปนอนอยู่ในห้องเงียบๆแล้วก็กางมงุ้งแล้วพวกเธอเลยถอยออกมาจนกว่าฉั้นจะเงียบไปแล้วเข้าไปจัดการได้อันนี้ญาติโยมที่คนพูดเท่าผู้แก่นในงานสายงานของหัวเทียนนะหลายคนทําอย่างนั้น เพราะว่าอะไรจะเจริญสติสมรยะดับไฟนรกได้คนไหนที่จเจริญสติสมรยะอยู่เป็นประจําแล้วสามารถประคองสติสมรยะจนถึงวินาทีสุดท้ายไม่หลงสติเมื่อใดหลงสติและโอกาสที่จะลงนรกนั้นเยอะหรือไปอาบายแต่ถ้าเราประคองสติสมยะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเราจะไม่ตกนรกเพราะมัจุราชมองไม่เห็นเรามัจุราชคืออะไรมัจุราชคือความ เจ็บป่วยที่เราทนไม่ได้มันบีบคั้นเราเราสมมุติความเจ็บป่วยที่ทนไม่ได้จนแสดงออกมานั้นคือพยามัจจุราชมัจจุแปลว่าความกลัวตายเรากลัวตายหรือแสดงอาการต่างๆออกแต่อาการที่จะกลัวตายเพราะเราเจ็บใช่ไหมแต่ถ้าเราสูกอาการเจ็บปวด euh, บีบคั้นและจนแสดงอาการนั้นออกตัวความเจ็บปวดที่ทนไม่ได้เรียกว่าพยามัจจุราชมันเจ็บในขั้นพยามันไม่ใช่เจ็บธรรมดานะเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนกลัว นรกหรือกลัวอบายก็ต้องเจริญสติสมญาจนไปถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วเราจะไม่ตกนรกอันนี้มารับประกันเลยนะท่านนับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปที่จะไม่ตกนรกอ่เพราะพระโสดาพระโสดาบันมีสติสมญาถึงี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วนะแต่ถ้าเราเป็นพระศิีนาคานาคาพระหันก็ห้าสิเอร์เซนแสิเอร์เนร้อยเปอร์เซ็นเนี่ ย, 10ยสบายมากเลยใช่ไหมแต่พระโสดาบันนี่ยังเสี่ยงเหมือนกันนะยังร้องไห้อยู่พระโสดาบันเพราะฉะนั้นแต่ก็ ปัจจุบันนั้นดับความโกรธได้เร็วแค่กระทบแป๊บนมัวที่หน่อยก็เดี๋ยวก็ดับละแต่ไม่เหมือนผูุ้ชนคนทั่วไปมุงทีกระทบอ่าด่ากันวันนี้ก็จะหมดได้หลายชั่วโมงบางทีเป็นวันยังไม่ดับเลยไฟในรกที่ติดอยู่แต่ของปัจจุบันติดแป๊บเดียวก็ดับแต่บางคนโกรดนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็โกรธกันเมื่นั้นไม่สบายใจมื่นึกไฟนรก <c oughs> ยังไม่ดับนะดังนั้นอันนี้ก็เรียกว่าปัญจากขันธารูปขันโท ดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าในาสวรรค์มีทั้งหกชั้นชั้นแรกเรียกว่าชั้นจายตุมหาราชชั้นที่สองชื่อว่าชั้นอะไรนะดาวะดาวะดึงดาวะดึงนี่มีเสาเสือกันด้วยนะถามว่าทาไมมีเสาเสือกันด้เพราะมันแผงมาจากข้าตาวะติงสาตาวะติงสาแปลว่าอะไรแปลว่าสามสิบสามเพราะในตัวของเรามีอาการ ทั้งหมดเท่าไหร่32ใช่ไหมไอ้ว่า32ส่วนประกอบด้วยจิตหนึ่งดวงเป็น33เพราะฉะนั้นคนไหนก็ตามที่มีอาการ32ครบไม่ใบบอดเสียจริตไม่พิกลพิการเรียกว่าอาการครบ32แล้วก็ใจปกติด้วยคนนั้นเรียกว่าเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงที่คนที่สวรรค์ชั้นดาวดึงดีนั้น พิสูจนอาการเ ส, สองปกติพิสูจนที่หูหูไม่หนวกหูไม่บอดหูฟังอะไรชัดเจนเพราะนั้นเวลาแสดงคำต้องฟังที่หูจึงมาแสดงสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะไปฟังประเทศให้จมูกฟังได้ยินไหมประเทศให้ลิ้นฟังไม่ได้ยินนะประเทศให้ตาฟังไม่ได้ยินต้องฟังด้วยหูไม่ได้ฟังด้วยตาไม่ได้ลิ้มด้วยรสไม่ได้สัมผัสด้วยสัมผัสแต่ว่าสัมผัสด้วยหูเพราะนั้นตาวัตถิสาว่า หูดีนั่นต้องฟังเสียงครบสามสิบสองเสียงและมีใจที่ตั้งใจใส่บางคนฟังธรรมะทั้งการนิจํำไม่ได้เลยนะประเทศอะไรอ่าเพราะอะไรเพราะจิตไม่ได้อยู่มีอาการครบสามสิบสองแต่ขาดอาการส3มสิสามคือจิตไม่ได้อยู่กับกาย พ่อพูดที่นี่แต่ว่าใจไปคิดเรื่องอะไรวันนี้กูกลับไปกูจะไปกินอะไรหวานพวกนี้กูจะทําอะไรเมื่อนี้จะทําอะไรไปคิดแต่เรื่องอื่นกายกับใจไม่ได้เยือกันเรียกว่าอาการไม่ได้อยู่ในอาการส3มีอาการ 3.2 ก็จริงนั้นเรียกว่าไม่ได้อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงดาวดึงคือตาเอ่อชั้นพอจะนึกออกเลยใช่ไหมตาดีเรียกว่าสวรรค์ชั้นจาดูมหาราชหูดีเรียกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงด ต่อไปตาหูจะมูกดีจะหมวกสวรรค์ชั้นที่สามชื่อว่าสวรรค์ชั้นยา ม, มาทำไมจึงชื่อว่ายา ม, มาใครเป็นยามของชีวิตใครเป็นยามของจิตใจยามของชีวิตมีกี่มีกี่คนโยมเป็นชาวพุทธมานา น, นยามของชีวิตมีกี่คนหายใจเนี่ยวันหายใจกี่ครั้ง หายใจแค่สองครั้งคือหายใจเข้ากับหายใจออกมีสองอันยางของชีวิตคือยามาสวรรค์ชั้นที่สามชื่อว่าสวรรค์ชั้นยามาเพราะลมหายใจนี้เป็นยางของชีวิตนะโบราณอาจารย์จึงเอาลมหายใจมาเป็นอุบายกรรมฐานใช่เลยนะว่าหายใจเข้าว่าพูดหายใจออกว่าถูืูนับก็ได้แต่มันมีแค่สองหายใจเข้าและหายใจออกหายใจลึกและหายใจ ตื่นแค่นั้นเองคนส่วนใหญ่หายใจลึกหายใจตื้นหายใจตื่นเพราะฉะนั้นคนจึงโกรธง่ายแต่คนหายใจลึกโกรธยากเพราะอะไรเพราะหายใจตื่นมันจะเกิดทุกขเวทนามันอึดอัดง่ายเพราะหายใจไม่ทะลุ ป, ปอดเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาเนี้อามาต้องบำบัดสวรรค์ชั้นนี้ก่อนชั้นยาวมาคือต้องอืมพระทิเบตวันไหนท่านจะวันนี้จะออกไปทําธุระภายนอก บ้านเนี่ยสำเร็จหรือไม่สําเร็จเขาจะพิสูจน์ที่ลมหายใจตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขาจะมาทํำลมปรานมาทํำลมปรานให้หายใจโลุกทั้งสองจมูกเสียก่อนวันนี้แก้ไขอย่างไรหายใจมันก็ติดขัดแสดงวันนั้นจะออกไปทําอะไรทั่วข้างนอกเนี่ยไม่ดีไม่สําเร็จหายใจดีบ้างไม่ดีบ้างประจำผสมพันุเสือแค่ครึ่งเดียววันนั้นหายใจไม่ดีฝืดหายใจมูกหายจมูกหายใจตีบตันวันนั้นเขาจะอยู่บ้านทั้งวันเลย แต่วันไหนรู้สึกหายใจเข้าออกโล่งโปรงดีเขาจะเรียกออกไปทำธุระสาคัญเพราะวันนั้นทําอะไรก็สําเร็จเพราะหายใจมันโลง่งทะลุปอดทะลุสะดือเรียกว่าลมปรานเพราะฉะนั้นประวัติเรื่องลมปรานจึงสอนกันที่ที่เบตที่เบตเขาสอนกันว่าไงจึงสอนก็ว่าฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงสวดมนต์ดูคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนิพพานที่นั่น นี่เป็นเป็นเป็นสโลแกนสำหรับโยโย่ของพุทธศาสนาแบบที่เบตจำได้ไหมเอาจำได้ว่าพร้อมกันหนึ่งซองซ้ำฟังเสียงว่าพร้อมกันหนึ่งอง้ฟังเสียงทุกเสียงเป็นเสียงสวดมนต์ดูคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนิพพานที่นั่นอยู่ที่ไหนโมโหที่นั่นเป็นไง อยู่ที่ไหนตกนรกที่นั่นไม่เอานะอยู่ที่ไหนนิพานนิพานแปลว่าอะไรนิพานแปลว่าเย็นเย็นอกเย็นใจอ่าก่อนที่เราจะเย็นแบบภาวะวอนเราก็ต้องเย็นแบบอะไรชั่วคราวเทมโพ r รอรี่คูซสก่อนใช่ไหมคือหมายเขาว่าเย็นชั่วคราวเสก่อนคือหมายเขาว่าเย็นเรื่อยๆพอเย็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็เป็น Perman านェนต์คูเย็นตลอดการไอการตลอดการได้มันก็ต้องเป็นเทมโพเรอรี่สก่อนคือชั่วคราวเสก่อน นะดังนั้นไปที่ไหนก็นิพานที่นั่นอ่าถ้าใจของเรานิพานใจเราเป็นเย็นอ่าเรารู้ได้ไงว่าคนใจเย็นเหมือนต้นไม้ดอกไม้เวลามันเย็นดอกมันจะเป็นไงบานเสพรั่งอ่าคนไหนใจเย็นเป็นหน้าจะเป็นไงบานแต่คนไหนใจแย่เป็นไงอาา่าหน้าเหงาหน้าเศร้าหน้าตุมหน้าหิวเหมือนดอกไม้อะ่ะใช่ไหมเวลา หน้าไม่มีหน้าอ่าดอกพุทใจหิวชั้นใดก็ชั้นอยู่ที่ไหนให้นิพพานที่นั่นแต่เราบอกว่าดูนคนทุกคนเป็นผู้ที่เจ้าก็คือแล้วถ้าดูคนที่เราไม่ชอบหน้าเอ้ก็เขาเป็นผู้ที่เจ้าแ้่เราไปชอบไม่ไม่ไม่ ไ, มไปรังเกียจคนคนนั้นเท่ากับรังเกียจใครรังเกียจผู้ที่เจ้าถ้าด่าเขาเท่ากับด่าใครด่าผู้ที่เจ้าบาปไหมเพราะฉะนั้นเวลาลูกทําอะไรผิดจะไปด่าลูกไม่ได้นะ ต้องทํำยังไงต้องสอนสอนไม่เอาไปไงฆ่าโทษฆ่าโทษไม่เอาอะไรก็ลงโทษอ่าต้องตามลำดับนะปุ๊บปั๊บจะไปด่าเลยไม่ต้องสอนให้สติเขาสักคนแต่ถ้าเราไม่มีสติจะให้สติเขาได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทําคือจะต้องทําอะไรต้องเจริญสติแล้วเจริญว้างหรือยังไงบางคนยังไม่ได้เจริญเลยนะแล้วจะสติไปไหนไปใช้อ่ ะ, อะลูกไม่เข้าท่ากับใสทันที สามีไม่เข้าท่ากับใส่ทัานทีภรรยามไม่เข้าท่ากับใส่ท่านทีตกนรกทุกครั้งแล้วจะดูเป็นพุทธเจ้าได้ไงอ่ะใช่ไหมมันไม่ทันได้ดูแล้วเพราะไม่มีสติเพราะพุทธะแปลว่าผู้รู้ตื่นเบิกบานนะดังนั้นทําใจให้รู้ตื่นเบิกบานนหรือว่าเป็นพุทธะได้สวรรค์ชั้นที่สามแล้วนะเดี๋ยวมันจะไม่จบหกชั้นอันนี้นะเสวรรค์ชั้นที่สี่ชื่ออะไรนะ ด, ด, าาดุสิตดุสิตมาจากคำวาตุสิตะตุสิตะแปลว่าปุ่มรับรถได้ถึงพันรถ สหัสรดพันปุ่มลิ้นของเราเนี่ยรู้ไหมว่าเห็นเป็นจุดเล็กๆเด็ดจุ่มกับน้ำลายมันมีอยู่พันพันจุดนะเป็นนับดูก็ได้ไหวไหม <laughs> นับจุดเล็กๆที่ปลายอที่ลิ้นทั้งหมดของเรามันมอยู่พันจุดมันรับลิ้นรับรสได้เป็นที่หลังออกซึ่งน้ําย่อยเพราะฉะนั้นทําไมพุทธมารดาจึงเกิดในชั้นนี้อามภะก็สงสัยเออเขาคนตายแล้วไปเกิดที่นั่นเป็นพุทธมารดา มเมื่อพันษาที่เจ็ดพระองค์เผยแผ่ศาสนามาไปปวดปวดไปอยู่ระยะญญมารู้สึกว่ า, าเน็ดเหนื่อเมื่อยล้าอยากจะพักท่านก็เลยเสด็จไปที่เชิงเขาหิมาลัยเชิงเขาหิมาลอากาศมเย็นสบายเนาะนานั้นหน้าในช่วงเดือนอพันษาเนี่ยตั้งแต่เดือน ส, งสิงหากรยาตุลาเนี่ยทางบ้านเราเป็นฤดูฝนใช่ไหมแต่ทางอินเดียในช่วงนั้นมันเป็นฤดูเขาเรียกซัมเมอร์อากาศดีมากเลยเชิงเขาหิมาลัย อ, อ่ะเป็นซัมเมอร์แบบคล้ายๆตะวันตกนะอากาศดีมากท่านก็ไปพักที่นั่นเราก็สมมุติที่นั่นว่าเป็นสวรรค์ชั้ น, นดูสิ่งเพราะอะไรเพราะว่าไปเจอแม่บ้านคนหนึ่งที่ทําอาหารอร่อยมากเหมือนกับเรานึกถึงว่าภูเขาสูงๆว่าเรามักจะมีรีสอร์ทใช่ไหม รีสอร์ทแล้วก็จะมีรีสอร์ทดีๆอันนี้สมมุติเอานา้ำเออท่านไปเอาสวรรค์มาไว้บนดินได้ไงเดี๋ยวผิดผิดตำราเนี้อันนี้สมมุตินะสมมติเป็นอย่างนั้นท่านไปแสดงทำไปพักที่นั่นปรากฏว่ามีแม่ครัวของรีสอร์ทแห่งหนึ่งประวารณาตัวถวายอาหารท่านตลอดสามเดือนแล้วท่านก็แสดงทำโปรดแม่ครัวคนนี้แม่ครัวคนนี้ตามบูติแล้วจะเป็นเขาเรียกพวกพวกที่มีตระกูลสูง คนผู้ดีสูงแล้วก็มีเพื่อนฝูงเยอะพากันไปเฝ้าฟังธรรมของพุทธเจ้าทุกวันเลือกว่าพวกเทวดาและทําอาหารอร่อยมากบอกว่าลิ้นเป็นตัวรับรสนี่เป็นที่เกิดของพุทธมารดาพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาถึง3ครั้งก่อนที่เราจะรับประทานอะไรครั้งแรกท่านใช้วิทยาถาปัจจยังครั้งที่สองขณะบริโภคท่านให้ใช้ปฏิสังคัยอยู่บริโภคขณะบริโภคลืมพิจารณาท่านไปพิจารณาอีกซ้ําอีกเรีวอัจฉมยา อะไรก็ตามที่บริโภคปัจใจสีท่านให้พิจารณาถึงสามครั้งเสมอโดยเฉพาะอาหารเพราะด้านอาหารเป็นตัวรับรส ถ, ถ้าใครพิจารณาขณะเสพรสอร่อยได้พิจารณาตรงนั้นความรู้จะเกิดในระดับแม่ของพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นแม่ของความรู้เลยในการเสพสุขทั้งหลายถ้าเราพิจารณาได้ทันนะ ส่วนใหญ่เราพิจารณาทันไว้ขนาดขนาที่เรามีความสุขเนี่ยเราพิจารณาว่าสิ่งนี้เป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นอ่าย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่หนึ่งนี้แหลพิจารณาแบบนี้ไม่ทันเรียบร้อยไปแล้วนะพระก็ปฏิสังขโยาไปตามประเพณีอย่างนั้นอ่ะคนยิงเมื่อก้าร่อยเต็มที่เต็มคราบไปซียเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการที่คนพิจารณารสอร่อยของอาหารตรงนั้นทันเนี่ยรสอร่อยต่างๆทันแต่แล้วก็ถอนความพอใจไม่พอใจจากรสอร่อยนั้นได้เรียกว่า เป็นความรู้ระดับพุท ธ, ธะเลยเดียวเป็นระดับความรู้แม่ของพุท ธ, ธะแม่ของความรู้จะเกิดตรงนั้นเป็นยอดของความรู้จะเกิดตรงนั้นเรียกว่าเป็นที่สถิตของพุทธมารดาและปากหรือลิ้นของเราทําหน้าที่ได้กี่อย่าง <1 sound> ทําหน้าที่กี่อย่างปากกับลิ้นของเราทํานี้ได้กี่อย่างหนึง่งคำว่าหลายอย่างเรานํามาสักสองอย่าง IAN, ดิมีอะไรบ้างหนึ่งพูดสองกินก็รับอาหารกันเดียวกันนั่นแหละ ก็หน้าที่สองอย่างคือหนึ่งรู้รสอาหารสองใช้พูดการรู้รสอาหารเป็นหน้าทำให้เกิดพุทธมารดาการที่สามารถอบรมสั่งสอนของผู้อื่นได้ทําหน้าที่เป็นพระโพธิสัตว์อเพราะฉะนั้นสวรรค์ชั้นนี้จึงเป็นที่บรรเป็นที่สถิตของเทพสองอประเภทใหญ่ๆคือพุทธมารดากับพระโพธิสัตว์ ในแง่ของสมมติในแง่ของปรมัตาสวรรค์ที่สีได้แก่ลิ้นเพราะฉนั้นในประเทศไทยของเราเป็นประเทศสวรรค์ชั้นดุสิตมากที่สุดในโลกสามารถประกาศครัวว่าครัวโล ก, ลโลกอ่าครัวโลกได้เพราะอะไรในต่างประเทศเนี่ยเรามีร้านอาหารไทยแทบทุกประเทศที่มาไปมาเขาต้องถามหาร้านอาหารไทยซสก่อนแม้ว่าเจ้าของร้านจะไม่ใช่คนไทยก็ตามนะเป็นใครไม่รู้เป็นเกาหลีญี่ปุน่นจีนอแขก เป็นเจ้าของร้านแต่ว่าอาศัยคนไทยเป็นไรเป็นคุกอาอาศัยคนไทยเป็นคนปรุงก็เรียกว่าไทยฟู้ดแม้แต่แม้ว่าร้านนั้นจะไม่ใช่เจ้าของคนไทยไม่ใช่คนไทยเป็นเจ้าของก็ตามเรียกว่าไทยฟู้ดแล้วเขาเข้าก่อนเพราะเป็นไงมันอร่อยเพราะอะไรคนไทยจึงทำอาหารอร่อยเพราะอะไรเพราะอาศัยพระเป็นใครเป็นคนชิมอาศัยพระชิมนะฮะวัดนี่เป็น เชิญชวนชิมอย่างดีทีเดียวนะมีงานอะไรก็ที่ต้องเท่าผ่านแบรนด์พระว่าใช้ได้หรือไม่ขอใช้ได้แล้วพระฉันอาหารทุกบ้านนะทุกรสนะเพราะนั้นได้ทําบุญด้วยอาหารมากเพราะฉะนั้นคนไทยจึงทําร้านอาหารขึ้นยังไงไม่ว่าที่ไหนในโลกเพราะเราทําบุญด้วยอาหารนะทําบุญด้วยอาหารหนังสืออย่าเพิ่งเก็บนะครูจายเพราะเดี๋ยวเราจะต้องสวดกุศลาแปลนะพร้อมกันนะใกล้จะจบแล้วเนี่ยหลวงพ่อใหญ่เทศเดิมคืนไม่ไหวนะเดี๋ยวโยมไม่ได้กลับบ้านนะอ่ามาถึงสวรรค์ชั้นที่ไหนแล้วเนี่ย กลยจะจบแล้วอีกสองชั้นสวรรค์ท่านที่ห้าชื่ออะไรนะนิ ม, มานรดีสวรรค์ชั้นนี้ได้แก่อะไรในเมื่อตาคือสวรรค์ชั้นจาตุมาราชหูสวรรค์ชั้นดาวดึงจมูกสวรรค์ชั้นยามาลิ้นสวรรค์ชั้นดูสิตกายสวรรค์ชั้นที่อะไรอะ่ะท่านที่ห้าใช่ไหม นิมมารดีทําไมเจริญเร็วนิมมารดีเพราะว่าผู้พอใจในนิมิตได้ทุกอย่างตามต้องการเนรมิตได้ตามต้องการจิตเนี่ยมันจะสั่งอะไรมาถ้ากายไม่ทําตามเนี่ยไม่นิมิตให้ไม่สร้างให้เนี่ยจะสําเร็จประโยชน์ไหมวันหนึ่ง ค, คุณคิดกี่เรื่องแล้วคุณทําได้กี่เรื่องร่างกายของเรานิมิตสร้างได้ทันตามที่ใจคิดไหมไม่ทันดอก นะถ้าคนไหนถ้าคนไหนคิดอยากจะทํำนูน่ทนทํานี่แต่ทําไม่ได้สักอย่างเนี่ยนี้เรียกว่าสวรรค์ชั้นที่ห้าและที่หกไม่สัมพันธ์กันคนเราตกเป็นธาตุของความอยากอันนั้นก็จะทําอันนี้ก็จะทำแต่ที่สุดทําไม่สําเร็จสักเรื่องหนึ่งนั้นเรียกว่าเราจะไม่ประสบผลสําเร็จเพราะสวรรค์ชั้นที่ห้าที่หกไม่ ส, สวรรค์ชั้นที่หกลวกกันเลยเพราะมันเป็นสัมพันธ์กัน ประนิมิตสวดีมีอำนาจในการสั่งผู้อื่นคำว่าปาระเป็นผู้อื่นนะนิมิตสวดีมีอำนาจในการสั่งผู้อื่นให้ทำตามกายใจสั่งให้กายทำโบราณชี้ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่า ว, าวนะก็คือจิตนั้น <c oughs> เป็นสวรรค์ชั้นที่หกวันนั้นสวรรค์ชั้นที่5้าได้แก่กาย พ่ออะไรกายเน้นชอบอบอุ่นชอบสัมผัสชอบนิ่มนวลชอบนุ่มนิ่มชอบเย็นสบายเป็นสวรรค์ใช่ไหมเป็นสุขติชอบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนก็เลยไปติดรถทางตาอร่อยตาชอบดูหนังตลอดอ่า โ, โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มันมีสื่อเนาะมี Facebook มีไลน์มี youtube มีสารพัดอย่างดูได้ทั้งวันโลกก็เลยจากโลกกลมกลายเป็นโลกสี่เหลี่ยมกลายเป็นโลก สังคมก้มหน้าการเป็นโรคมือถือนะโรค ก, ก็เลยแคบมาแค่สี่เหลี่ยมไม่ครบ360ิเหลี่ยมละมันเหลือแค่สี่เหลี่ยมนะแต่น่าจะเห็นว่านี่คือตาอสวรรค์ทางตาสวรรค์ทางหูจมูกลิ้นกายเนี่ย <c oughs> เรารู้จักว่ากายนีย่ชอบนุ่มนิ่มชอบนุ่มนวลเราก็จึงต้องเวลาร้อนเกินไปเราก็เปิดพัดลมบ้างติดแอร์บ้างเวลาหนาวเกินไปล้วก็ติดฮีทบ้าง ปรับให้มันได้สวรรค์เพราะะนั้นราคาสวรรค์เป็นไงชั้นนี้แพงไหมแพงนะแพ ง, นะแพงเพราะฉะนั้นเรานอนคนเดียวนอนคนเดียวเปรี่ยวกายแสนสบายแต่ไม่สนุกนอนสองคลองคลุกแสนสนุกแต่ไม่ชอบวันไหนชอบสบายหรือชอบสนุกคนธรรมดาชอบสนุกคนไม่ธรรมดาต้องชอบสบาย ใครบ้างชอบสบายยกมือขึ้นโอ้ใครบ้างชอบสนุกยกมือขึ้นคนที่ไม่ยกมือแสดงว่าชอบทั้งสองอย่างโอ้ <laughs> อยู่คนเดียวแสนสบายแต่ไม่สนุกอยู่สองคนคลองทุกแสนสนุกแต่ไม่สบายไม่สนุกนั่นเป็นบุญแต่สบายนั่นเป็นกุศลเพราะฉะนั้นจะกุศลแล้วเอาบุญดีเอากุศลดีกว่าเนา ะ, ะจะได้สบาย แต่สนุกนั่นมันมีโรคไงอ่าโอ้กินน่ะสนุกลิ้นอร่อยลิ้นกินเยอะๆไปไงอ่าก็ตกนรกแล้วจากสวรรค์ก็กลายเป็นนรกทันทีอ่าแล้วก็ร่างกายตอนแรกได้สัมผัสคนรึงอยู่เดียวไม่ได้ต้องได้สัมผัสให้สนุกที่สุดเพราะฉะนั้นสัญชาตยานแห่งการอ่าสืบพันธุ์จะเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ทั้งหลายด้วยสวรรค์ชั้นนี้ เราเคืจึงแตกตุกเล่าเราลราออกมาด้วยสวรรค์ชั้นที่ห้านั่นเองคนก็นเลยไปบริโภคต่างๆหงิงมุกลิ้นกายใจจนครบสวรรค์ห้าชั้นแล้วใครเป็นคนสั่งสวรรค์ชั้นที่หกถ้ามันสั่งไปสวรรค์สวรรค์คู่กับอะไรคู่กับนรกดีใจคู่กับเสียใจแต่ถ้าเป็นใจดีเป็นกุศลหรืออกุศล ใจดีเป็นกุศลถ้าดีใจเป็นอกุศลโอ้ไปพูดงั้นไม่ได้เนาะเดี๋ยวใจดีเป็นอกุศล ค, าคศาศลาําว่ากุศลอกุศลแปลว่าฉลาดหรือไม่ฉลาดเท่านั้นไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีคนทําอะไรได้วยความฉลาดเรียกว่ามีกุศลเรียกว่ากุศโลบายคนทําอะไรได้วยความไม่ฉลาดเรื่องไม่มีกุศโลบายไม่มีอุบายเรียกว่าทําอะไรสิ่งไหนทําด้วยความไม่ฉลาดย่อมมีผลออกมาไม่ดีใช่ไหมทําด้วยความฉลาดย่อมมีผลออกมาดีนั่นเรียกวุศลเป็นเหตุไงแต่ ทำเหตุดีก็ดีดังนั้นเองเขาว่าปัจจุบันเราเอามาเป็นปริยาการศึกษาหรือ ว, ว่าพูดเป็นทําเป็นคิดเป็นคําว่าพูดเป็นทําเป็นคือมีกุศลทั้งกายวาจาใจนั่นเองพูดไม่เป็นพูดดีดีแต่พูดไม่เป็นเวียงจากคําพูดดีๆกลายเป็นคําดูถูกเหยียดหยามไปเลยใช่ไหมกลายเป็นคำย่อเย้ ย, ยพูดไม่ถูกกาลเทศะพูดดีนะแต่มันไม่ถูกกาลเทศะใช้ได้ไหม ไม่ได้เพราะไม่มีกุศลคําว่ากุศลคือพูดดีด้วยถูกกาลเทศะด้วยและพูดเหมาะสมกับคนด้วยว่าจะพูดเวลาไหนอย่างไรเราชมลูกชมผัวชมสามีภรรยาก็ดูกาลเทศะด้วยนะถ้าไปชมผิดเวลาเป็นไงสิ่งที่มีค่ากลับกลายเป็นไม่มีค่าเพราะเราขาดอะไรขาดกุศลหรือขาดปัญญาอ่าเพราะนั้นพุทธศาสนาสอนให้คนเกิดปัญญาไม่ได้สอนให้คนเอาบุญเพราะบุญนั้นคุณจะ ต้องการหรือไม่ต้องการถ้าคุณทําเหตุมันถูกมันก็เกิดเป็นอย่างข้าวมันใช่ไหมคุณไม่ต้องปรารถนาผลแต่ถ้าหากคุณปรารถนาผลบุญแล้วแต่ว่าทากุศลไม่เป็นทําเหตุไม่เป็นบุญเกิดไหมไม่เกิดเพราะฉะนั้นบางคนยิ่งทําบุญก็ยิ่งจนเพราะทําไม่ถูกกราเทยะไม่หายจนทีหนึง่งแต่บางคนเลือกทําบุญผู้ที่เจ้าต้องบอกต้องวิจัยทําบุญทีไ่ไต้องวิจัยก่อนวิจัยยะานังผู้ที่เจ้าสอนให้วิจัยวิจัยว่าเหมือนเราจะปลูกข้าวเนี่ยจะปลูกตรงเนี้ย มันถูกลูดูการไหมดูกสถานที่ไหมที่เหมาะสมที่จะหวานไหมต้องวิจัยข้าวพันข้าวดีไหมราคาดีหรือเปล่ามันต้องวิจัยกับหลายชั้นใช่ไหมเหมือนกันเราจะทําบุญกับใครเนี่ยเราจะให้ทําทานกับใครต้องวิจัยเสก่อนเหมาะสมไหมที่ให้กับคนนี้เหมาะสมไหมที่ทาเวลานี้เหมาะสมไหมที่ทําเท่านี้อะไรเนี่ยต้องวิจัยเสก่อนแต่ด้วยชาวพุทธของเราต้องการบุญเย่างเไม่ต้องวิจัยทําแล้วได้ทําก็สบายใจก็พอแล้วแต่มันจะถูกไม่ถูกเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งตรงนี้เรียกว่าทําบุญ แต่ไม่เกิดกุศลมันก็ทําไปเรื่อยๆนะเหมือนการจะปลูกข้าวหวานทุงไหนก็ได้ไปที่ไหนเป็นดินนะหวานได้ทั้งนั้นนะแล้วผลออกมาเป็นไงได้ตามต้องการไหมไม่ได้เออแต่มันจะต้องรู้จักเออต้องมีน้ําต้องมีฝนต้องมีฤดูกาลต้องมีดินดีปุ๋ยดีแล้วการทําถูกอ่เาเรียกว่าวิธีการนะนี่เรียกว่านั่นฉนฉัตรวันชั้นที่5ที่6กรวบเป็นเรื่องเดียวกันเพราะเป็นเรื่องของกายกับใจ เนันสวรรค์หกชั้นก็ได้แก่ลายโดยปรมัตได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงบอกเอ๊ะทาไมไม่มีสักเกตชั้นแปดชั้ น, นก็เพราะเรามีอายตนะแค่หกเพราะฉะนั้นในสวรรค์หกชั้นเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นนรกหกหลุมแล้เหมือนกันเช่นตาของเราไปดูไปพบเพื่อนมิตรที่รักกันชอบกันเราก็ไปสวรรค์ไปเจอคนที่ไม่ถูกชะตาไปเจ อ, อคนอาฆาตเป็นศัตรูกันไปเจอกแล้วเกิดอะไรในใจเกิดนรกทันทีเหมือนกัน อย่างอื่นเมื่อการได้กินอาหารอร่อยเป็นสวรรค์เอากินไปเจออาหารที่ไม่อร่อยก็เป็นนรกเริ่มแล้วไม่พอใจเ อ, อะไรเมื่อกีน้นได้ทะเลาะกันในเรื่องอาหารใช่ไหมไม่กินข้าวในบ้านเพราะาแฟนทำอาหารไม่อร่อยได้ไปกินนอกบ้านได้ทะเลาะกันเรื่องอาหาร อ, าอยู่ด้วยกันเสพสุขเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่สนุกสนานแล้วเราอย่าอยู่ด้วยกันดีกว่าเนาะเลิกกันดีกว่าในที่สุดก็สวรรค์เป็นไงสวรรค์ก็เบี่ยงเบี่ยงเป็น นรกไปก็เกิดการอย่าร้างแล้วใครรับผลลูกใช่ไหมรับผลปัญหา ก, ก็เกิดขึ้นเพราะนารกสวรรค์นี่เองแต่ถ้าหากว่าเป็นชาวพุทธต้องไปเหนือนรกสวรรค์หมายคขาว่าตาดูแล้วท่านบอกว่าให้มีสติสัมปชัญญะอย่าพอใจในสิ่งที่เห็นอย่าไม่พอใจในสิ่งเห็นสัจธวรมเห็นได้ยินสัจธรรมดินรู้สัจธวรมรู้นั่นคือการอยู่เหนือนรกสวรรค์ก็คืออยู่เหนือความพอใจและไม่พอใจนั่นเอง นันเวลาเราจเจริญสติปัฏฐานพุริิาจ้าท่านบอกว่ากายเยกายานุปสัสสิวิหารติอาตาปีสัมปชานเสติมาวินัยยโลเกอพิชาโทมนาสังบอกว่าจเจริญสติพิจานากายเวทนาจิตทำวินาเพียงเพื่ออะไรเพื่อที่จะตัดความพอใจและไม่พอใจออกจากใจเท่านั้นเองเมื่อตัดสองอย่างนี้ได้ก็หมายความว่าเราไปนิพพานเลยแต่ถ้าตัดสองอย่างคือความพอใจไม่พอใจออกจากใจไม่ได้เราก็ยังไปนิพพาน ไม่ได้นั่นเองนะดังนั้นสวรรค์หกชั้นเป็นเรื่องของอภิธรรมเจ็ดคำพีก็อภิธรรมหกคำภีรคือคำภีตาคำภีหูคำภีรจมูกคำภีรลิ้นคำภีกายและคำภีใจคำภีร์ที่เจ็ดได้แก่ปัญญาเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยใช่ไหมคนที่มีปัญญาเท่านั้นจะรู้เหตุของธรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นตัวชาวนะที่เจ็ดได้แก่ปัญญา ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็น6ชวนะและมีตัวรู้ขึ้นมาเราจึงมาเจริญตัวรู้มาเจริญตัวปัญญาเพื่อที่จะไปตามดูการกระทบของอายตะนะทั้ง6แล้วเอาความพอใจไม่พอใจในขณะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นมิ่งรสกายสัมผัสใจเนื้อคิดถ้าไปเฝ้าดูเท่านั้นอย่าพอใจไม่พอใจในสิ่งที่เรารับรู้ทั้งอายตนะทั้ง6ตรงนั้นจิตของเราพิจารณาด้วยปัญญาก็ออกมาจากสวรรค์ออกมาจะกโลกไปที่ไหน ไปนิพพานเพราะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทั้งประตูสวรรค์เป็นทั้งประตูนรกและเป็นทั้งประตูนิพพานเพราะฉะนั้นเคยถามไห้ว่าทำไมนิ้วของเราจะมีสามข้อทำไมไม่มีสี่ข้อห้าข้อหข้อเพราะว่ามือของเราแค่ขันห้าเนี่ยนะมันจะต้องมีสามอย่างนี่แหละนรกสวรรค์นิพพานอยู่ที่นิ้วมือของเรานั่นเองไปบริหารให้ดีกันแล้วกันนะ ธรรมเทศนาวาสาเนีแล้วมั้งนี่เนาะดึกแล้วเนาะก <g ül> ็ขอขอนุโมทนาสาธุความตั้งใจของญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมเทศนาเรื่องอภิธรรมยุคไฮเทคกันแล้วกัอนเนาะเออมั น, ม, นมันต่างจะไปพูดที่อื่นไม่ได้นะที่พระคนนี้พูดนอกตำลานะกล่าวถึพระพุทธเจ้าโอ้โหตรงนรกเอาง่าย ๆ, ๆเนยเนา ะ, อะแต่ว่าเราพูดในฐานะสมมุติให้ เป็นสัจธรรมที่เป็นเข้าใจในณับปัจจุบันเพราะเราจําเป็นต้องสื่อกันในสิ่งที่เข้าใจกันได้สิ่งไหนไม่พูดไปแล้วไม่เข้าใจก็พูดไปก็เสียเวลาคุณฟังก็เบื่อนะก็ขออนุทานสาธุในความตั้งใจที่มีสติสมะยะและมีความอดทนในการฟังตลอดด้วยความสงบด้วยความเคารวในการแสดงธรรมก็ด้วยอานิสงส์ในการมีคุณธรรมเหล่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายสามารถ จเจริญสติปัญญายกจิตออกจากความเป็นนรกเป็นสวรรค์ไปสู่นิพพานมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอน